1.6 จุหศาสนาพุทธเรียนแบบการวิจัยวงเล็บเปิดยี่สิบสองตุลาคม2549นห้าอสี่สบ้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสาสิบเก้าวงเล็บปิดเวลาเราเรียนกรรมฐานเราไม่ได้เรียนเยอะแยะถึงแม้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนมีมากแต่ธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกที่ท่านสอนเอาไว้เยอะเพราะคนมันเยอะอย่างเราเห็นจิตคู่เดียวจิตที่หลงไปคิดกับรู้สึกตัวเห็นคู่เดียวพอแล้ว จิตที่หลงไปคิดเป็นตัวแทนของอากุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลจิตมีตัวแทนเราเรียนแบบสุ่มตัวอย่างแบบนักวิจัยาศาสนาพุทธเรียนกรรมฐานแบบการวิจัยนะเรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยธรรมะภาษาของชาวพุทธมีมาก่อนฝ ร, รั่งงานรีเซิร์ชนี่เราทำมาก่อนเราวิจัยธรรมะด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างจิตใจมีตั้งเยอะแยะมี89ชนิดเราเรียนสองอย่างก็พอ คือจิตที่เผลอไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวคู่เดียวก็พอเป็นการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างถ้าสุ่มตัวอย่างทางจิตก็เรียกว่าศึกษาแบบรู้จิตในจิตจิตในจิตหมายความว่าเราเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดกายในกายเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจกายได้ทั้งหมดคาว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตคือการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนั่นเอง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 คือเห็นอนิจจังเราเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่เห็นอนัตตานะถ้าลองเห็นกายเห็นจิตลงเป็นไตรลักษ์แล้วก็ใช้ได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเห็นจิตเป็นไตรลักษ์นะใกล้กับมรรคนิพพานแล้ว